ที่ีแยกทางกรรมกับคู่เวรเขาทำเรวแบบไหนเราจ้องไว้เลยว่าชั่วชีวิตจะทำดีชนิดนั้นสุดโตรงมนุษย์เราจะหลุดออกจากกันบางทีไม่ใช่ด้วยข้อตกลงหรือการวิ่งหนีแต่อาจต้องทำกรรมที่ต่างกันมากพอจะให้เกิดพลังผลักออกไปเองทั้งทางตรงที่เห็นได้และทางอ้อมที่มองไม่เห็น ถามแผเมตตาให้จะช่วยตัดเวรได้ไหมคำว่าเวรเราต้องมองว่ามันเป็นสายใหญ่ระหว่างที่ผูกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างในทางสว่างเช่นทำบุญด้วยกันพูดดีต่อกันช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแค่นี้เราก็รู้สึกถึงสายใหญ่เชื่อมโยงแห่งมิตรภาพแล้ว มีทางกลับกันเราทำอะไรไม่ดีกับใครเอาแค่เดินตามถนนแล้วไปเหยียบเท้ากันและหันมามองหน้าด้วยความรู้สึกขุนเคืองแค่นี้ก็เกิดความสัมพันธ์แบบลบได้แล้วเราตัดได้แค่พยาบาทครับสายใยกรรมอย่างไรก็มีอยู่ของมันแม้พระพุทธเจ้าไม่ถือสาพระเทวทัศน์แต่พระเทวทัศน์ยังถือสาอย่างคิดเบียดเบียน สายใยกรรมก็นำมาเจอกันทุกชาติจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายของพระองค์จนได้ซึ่งพอไม่มีพระพุทธองค์แล้วเกิดใหม่พระเทวทัตก็ไม่ต้องก่อเวรเพิ่มแต่ต้องรับบาป ก, กันต่อจนกว่าจะชดใช้หมดถึงชาติที่บรรลุธรรมเป็นพระประเจกพุทธเจ้าตามพุทธพยากรณ์เวรผูกขึ้นด้วยสองฝ่ายสองฝั่ง เหมือนปมสองปมผูกเข้ากันไว้การแผ่เมตตาไม่ใช่การที่จะตัดกรรมแต่แก้ปมหนึ่งแต่อีกปมหนึ่งยังค้างอยู่มันก็ยังมีการผูกอยู่ดีการแผ่เมตตาให้ศัตรูคู่เวรต้องทํากันทั้งชีวิตที่เหลือตลอดชีวิตถึงจะหมดในฝั่งเราได้แต่จะหมดฝั่งเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ วิธีแยกทางกรรมกับคู่เวรวิธีหนึ่งที่จะทำให้คู่เวรของเราเขาตามไม่ทันคือรู้ว่าเขาทำเลวแบบใดเราจ้องไว้เลยว่าชั่วชีวิตจะทำดีชนิดนั้นนั้นสุดตรงเช่นเขาชอบพูดหยาบเราต้องมุ่งมั่นทำตัวเป็นคนพูดไพเราะสุดขีดให้ได้และอธิษฐานไปเรื่อยๆ อ, ยอิงหลักสัจจาที่ว่าคนแบบเดียวกัน ย่อมโคจรมาพบหรือมาใกล้หรือมาเฉียดกันคนต่างกันย่อมไม่มีเส้นทางให้โคจรมาพบหรือมาใกล้หรือมาแต่ต้องกันเขาเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอีกอย่างก็ขอให้แคล้วคลาดกันไปเสมอแม้จำเป็นต้องมาพบเจอก็อย่าได้ทําความมัวหมองให้เราได้หรืออย่าทําให้เราถึงขั้นเป็นทุกข์ได้การอธิฐานจะส่งผลจริง หนักแน่นตามการประพฤติจริงของเราด้วยอังสะ จ, จาวนั่นแหละได้ผลที่สุดวิธีตัดเวรให้เด็ดขาดที่จะทำลายเวรให้สะบ้านขาดจะกกันได้ต่างฝ่ายต่างจะต้องอโหสิให้แก่กันและกันต่างฝ่ายต่างจะต้องมีจิตใจยินดีร่วมกันที่จะไม่เอาเรื่องเอาราวกันไม่ใช่แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าจะล้างเวรกับใครพยายามทำทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ทำให้ใจตัวเองมีความสุขพอที่จะอภัยแต่ต้องทำให้อีกฝ่ายมีความสุขพอที่จะร่วมมือกันกับเราด้วย